เพายิบปาถึงอาปฏิบัติสะดวกง่าเลยแตมบกเราบอกเราเคยที่ไม่ที่เจ้านะเคยยืนในฟังมาเคยศึกษาเคยปฏิบัติแต่ผมก็เป็นไปยากถึงยากก็เลยเหลือดีใส่มันพยายานศึกษามันพยยามติดตามยากวางมือไม่ออเคมันยากมันจะไปไหนย่างไร เมื่อเาสมเหให้เนไปไหนได้ยากกว่าตทําหน้าที่เรามีมืนคนเดินทางทีู่นี้ขุกขักที่มีกำลานแต่จุดม้ปายทางลรวอยากจะไปอยู่นี้แต่ามันยากมันลบากหไปเราจะนึกอยู่ใจใจมนจะถึงไหนได้ถึงได้ลำบากกุญแจพยายามฝ่าฝืนไปมันต้องยากเสียก่อน คุณจะไปพบง่ายังมีใจเข็งแข็งการศึกษาตารปฏิบัติธรรมะเป็นของยากเป็นของลําบากเพราะาศูนย์เรื่องเกี่ยเหนือปัญหาขาศูนย์เรื่องความคิดริงของเราเนีแต่ไหนแต่อไรธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นข่าดศูนกับยิ่งเหลือเพาจะทําอะไรไปมันต้องขัด จังละเอาไว้ประมาณเ่านานก็เพื่อเฉลยเตือนเรืส่งนี้จะทำงานสะดวกเร่องหงห้านอนเคล่ไปต่างๆนานะผ่ะนนิจภารณาที่การงานผือนวินิจภาร้าที่การงา น, น, า น, า ก, างานก็เพื่อถาดันมันจนทั้งจะรวยข้ น, นความ ค, คิดไปต่า ง, า ง, างนนๆนานาสำหรับวิเศ ในอย่างนั้นภพชาตของพวกเรามันก็หมดไปแล้วถ้าไม่เชื่อบท่างของพิณิชเชื่อเงขอเรื่องทําแต่เราชื่อยรื่องที่ทำอย่างไรเราต่จะทาถึงยากถึงลำบากขนาดไหนก็คนหยุดคนไปทาให้ได้ทำลงไปในวเนอะไรเกิดขึ้นแต่ในยามหยุด ต่าน้าต่างาทอย่างเอากินเอาไปน่ทุกคนทำอย่างนั้นดรกความเอาไจใส่เรื่งความใสใจกินใจถึงดอกถึงระดับก็จะมีโอกาสเวลาไดรคุณค่าตอบแทนคือความสงบความเย็นเย็นข้างใจความสุขท้องใจถ้เชื่อจะเหมือนท้องชีวิตก็จะมีโอกาสเวลา ยงหนุนยงเด็กก็ถืออ่ายังหนุนบังเด็กูเพื่อแทไปเทยกันจมีคับครัวคนานจะถืออ่ะภานาที่มีหน้ามีลูกมีหลมาก็อีอ่ะติดลูกเป็นหลานยังทำได้ติดการดงาตางๆ้าฟัวมาจะอ้าหลงใจไมนท่ามาทานให้ทำไม่ได้ นั่นเลยไ ม, ม่มีโอกาสเวลาให้ถ้าเรามาเชื่อเรื่องของมันเราจะทำให้เป็นให้เห็นให้รู้จริงจังจะมุ่น้อยกว่าตามแจะเท่ากว่าตามคุณงามความดีอาจทำไม่มีแฉไม่มีหนึงเป็นอันเดียวกันหยุดใจคือมีกิเลสปัญหาเป็นอันเดียวกันชำระได้สะสมได้ พยายามกำหนดฝึกกำหนดใจของตนถ้าีเคยฝึกเคยอบรมเห็นผลคือความสงบสงัดขางใจจะไปเลยต้องท้า บ, บัญชาย่า้พาเคยฝึกเคยสบายเคยได้ จ, จากการแต่ทำมันเชื่อมันไม่ได้ทำอย่างนั้นจิตใจใมันไม่สบาย จะไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดถ้าได้สงดใจให้สงดรู้สึกว่ามันสุขมันสบายถ้าจิตใจวุ่นวายสึ่งสุต่างๆรู้สึกเสียใจให้ตัวเองนี่คือคนเคยเห็นผลจากการกระทำบำเพ็ญ ข, ข้งตนจะมีครูมีอาจารย์มาสอนหรือไม่ตัวของเราเองก็ตั้งใจกะทำอยู่ตลอดเวลา เป็นทีน ค, ค่าของธรรมนะเป็นคุณค่าของการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอยู่สถานที่ใดอยู่กับอัดกับทำไม่ไดอยู่กับโลกไมยอยู่กับยุเหลกเนื่งหน้าศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพิ่เจรณาให้เข้าใจละถอนเรื่องต่างๆกว่าทุกคนมันมีสัญญารม แต่ใสมันในมืมอพระอริยจาท่นกรมีนั้นการสัญญาอรมณ์ใอย่างนั้ น, น, น, น, นท่ากนกรณีมาแนะสอนพุะธบาิสัตย์ได้เพราะเหตุใดพระนจอยวางสัญญาอรมณทั่วไปแล้วจะเอาอะไรนะแ น, น่สอนสัาอารมหรือขันห้าค ท, ท่านเก่าไว้รูเวทนาสุขทุกเฉย เดียรเยวทานาสัญญาคือความสดจำ้ำความหมายต่างๆทั้งขารคือความปรุงข้าใจยินยานคือความรับรู้จากอายตนะเมื่ออยู่ถ้าหากเราศึกษาในด้านธรรมะสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นธรรมะแต่เราไม่ศึกษาในพิจารณาสิ่งนี้จะเกิดเป็นโลกทําให้โลกให้ตัวให้เหลวทําให้เดือดร้อนวุ่นวาย การับการสายในมีสุขมีสบายใจจิตเนี่ยพิจารณาเต็ที่จะเป็น ม, มีนุบริสุดเข้าใจขนัดชัดเจนว่าขันอันนี้เป็นเรื่องของขันไม่ใช่เรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่สิ่งเหล่านี้มันสิดบงังเอาไว้ให้เห็น ไม่เห่รู้ตามความเนจริงข้ามันกว่า จ, จะไปถึงขั้นนั้นมันจะต้องที่นิพพานาไปหลายทางในอย่างไรวะจะต้องเดินไปเงินบันไดถึงมันจะขึ้นย่าก็ต้องขึ้นไปเมื่ออย่างนั้นจะมาถึงบ้านตามก็ทํามันเพิก่อนทำนองเดียวกันขอทุกท่านใจมั่นที่นิพพานานำธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาเพราะคนเราเกิดมา นั่นก็มีแฉะมีเจ็บมีตายเป็นธรรมดามันมีใครในโลกที่จะเลือ้อยหล่ออยู่บ้าจะแพิดเทมัว่เมามไปเท่าไรความแฉะความเจ็บความตายมันจะไม่หลุ่มหลงเพิดเทอมไปตามเราเราจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มอะไรความแกะความเจ็บความตายมันจะประจำอยู่ในถาดในขันเหลื่อยไปเมื่อเป็นอย่างนั้นจะควรนอนใจอะไรกัน ในธาบุในขันเมื่อคุณงามความดีอะไรว่าไม่มีในตัวของเราเราตายไปธาบุใดดีไหมเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เผดภูดเผดภูดภูดาหรือจะไปเกิดเป็นอะไรข้างหน้าเมื่อเรายังทราบในแบบจะควรนอ น, นใจทตินที่จะไปเรายังไม่ทราบหรือเราทราบแล้วการไปเกิดในจุดที่ต่าง ยังม่ถึงความบริสุทธิ์ยนตนั้นมันเป็นทางดีงหรือเดาเลยตวเกิดได้สถานที่เดาเมื่อเกิดได้มันก็ดับได้ควรสืดจิดโอดมใจทั้งตัวให้ถึงจุดหมายตายทางคือิ Venus ูนิตเมื่อถึงยูนิตแล้วจึ่งจะบริสุทจึงจะปลอดภัยไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้อง ให้เฉงใสไม่มีอะไรที่จะมาก่อเกลืนให้เกิดทุกข์อีกนอกจากทุกข์ในขันที่ยังมีอยู่เท่านั้นส่วนทุกข์ในการละการบรรเทมส่วนทุกข์ในจิตในใจอย่าโศกะกระดิเทละไม่มีในความบรู้สึกอันนั้นนี่ท่านพูดถูกอารมณนจิตจึงได้เกี่ยบพวกเราสะดวกสบาย นายยืนยงยืนไว้ทั้งสี่โลกเขายืนยงยืนไว้ทั้งสี่โลกเขาหลง t, t che, à, h à น h ควมหลงโลกเขาทุก thành ความทุกเรื่องเหล่านี้จะมีใครที่จะช่วยกันได้นอกจากตัวของเราเองจะช่วยตัวของเราหมั่นึกศึกษาหมั่นที่นี่ที่เจนากำหนดเรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้ หึกไมได้พระพุทธเจ้าเป็นสุดดีวิเศษไมได้ครูอาจารย์ทาวกที่จะ้นไปจากโลก้นไปไได้ถ้าฝกไได้ก่อนท่านก็เหมือนกันกบพวกเราทัานมีอยู่ทกสิ่ทอยากถ้าไม่มีก็มีทาที่จะสร้างดีชั่วให้เกิดขึ้นได้นั้นมีอยู่ดีชั่วที่เราจะชำระหรือบำเพ็ทุกสิ่งทุกอย่าง มันจึงพร้อมอยู่ในตัวของเราแต่ใช่อยู่ในที่อื่นเมื่อตัวของเราเอาไปใส่ปัดเป่าสิ่งเดชปัญหาสายตามสายชั่วให้หม ด, ดไปสร้างคุนงามความดีฝูนสมาธิปัญญาให้มากขึ้น <c oughs> ความบอริสุทธ์โดยต่องไปถามถึงมันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นเหมือย ก, กันกับผูุ้เรียน หรือมอเมืองขอให้บำรุงลำต้นของมันให้ดีเมื่อมันตกดอกออกผลแก่สุกเต็มที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ให้มันหวานมันหวานเองของมันนี่จิตใจของพวกเราท่านเมื่อมันพึงสุดสุดก็ทำนองเดียวกันมันหลุดเองเมื่อบำเพ็ญดีความหลุดนั้นไม่ใช่เราจะตุ้นแต่งเอา มันเป็นข้องมันแคะนั้นจึงไมีปัญหาแต่มันหลุดหรือยังเพราะตัวของตัวมีสติมีปัญญาที่เจนามาตามขั้นของความสงบของความละเอียดของใจพอถึงที่สุดแล้วจึงไมีปัญหาอะไรที่จะติดข้อขอัดขอ้องพลันความต่างใจทํา นรรมะสีสันวเป็นปดเจ็ดตังเป็นสันทิปิโกมันมีอยู่ทุกขั้นเวลาขั้นต่ําขั้นกลางหรือขั้นสูงสุดแต่เรามาดูพี่แจมาดูว่าสันทิปปิโกเห็นเองเห็นอย่างไรกวี่เรเจอขึ้นก็เห็นความสงบเกิดขึ้นก็เห็นเห็นเองในจิตในใจของเรามันสงบขนาดไหนสบายขนาดไหน เราก็เห็นมันโกรธขนาดไหนมันโมโหขนาดไหนมันโงขนาดไหนเราก็เห็นเห็นอยู่ในจิตในใจของเร า, า, า, า, าเห็นจนตาดําตาแดงจนร้องให้แล้วมันขึ้นจนขี้จนฐานของมันแต่มันอยูที่เจริญนาแต่มันเป็นสันชิติโกความชื่อเป็นสันชิติโกความดีก็เป็นสันชิติโกตามขั้นของจิตฐานหม า, จายจะมีที่อื่นมีจี่กายจี่ใจทางสัมระ ก็ยมีที่อื่นอีกเหมือนกันหากําระได้ความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็เป็นสันทิปติโกเป็นตันนปตะสังประจังประจันตัวขอตัวอีกเหมือนเด็กถึงพูดไม่เป็นเหมือมันอิ่มันก็ไปเคี้ยเดี๋ยวป้อนมันเอาใส่ปากมันนั่นก็คายออกมากจิตใจที่มันเพียงพอบริบูรก็ทําเอานั้นพยายามทำฝึกตัวเอง มันถุงความอิ่มไนทุนถงความอิ่มแล้วมันเป็นอย่างไรจักเข้าใจในความอิ่มไม่ต้องไปถามไหเราอิ่มด้วยจังไหนบ้าท่าท่าน ส, สีตัวอิ่มไหนด้วยจักว่าพื่อิอ่ม ต, ตัวหิออห้วได้วยจักว่าตัวหิ้การภามน า, มากับทำงานเดีวยวกันหยุดเดียวนี้มันคิดมันฟุ้งในเหนี่ยไห น, นเป็นโลกหรือเป็นธรรม ก็ไม่นั่งหลับหูหลับตาเหมือนหัวโตสติปัญญาหม่มีเราได้นั่งก็ถือว่าดีเท่านั้นแต่มันดีอย่างไรจิตใจฟ่งใสจิตใจเยือกเย็นจิตใจเป็นธรรมหรไม่ไม่ได้บวกอลตรวจดูจิตใจทังตัวถึงเวลาทาก็ทาไปถึงเวลาเดินก็เดินไปแต่จิตใจนั่นดีไหมตอ้นธรรมหรือม แต่ทำแบบนั้นมันก็ยากลบาบากที่จะได้ประสบความสุขความบริสุทธิ์บ้ า, า, างพยายามมีสติรักษาจิตใจของตัวการเป็นเพิ่มภาวนาอย่าไปทิง้งว่าเป็นหน้าทิดของคนอื่นเป็นหน้าผิดของตัวเองที่จะทําการรักษากายาจาใจก็เป็นหน้าผิด ข, ของเรา จะรักษาคนอื่นไม่ใช่ีดฆ่าพระพุทธเจ้าจบอกสอถวนั้นจะเอาไรืไเอาถ้าองไดีพระไยไนเสียพระไท ย, ไทยถ้าองคนมีอะไรสะะิจมาแบ่งปันจากเราเราเชื่อจะเป็นเหลของเราเราดีก็เนเหลืองของเราจรึงควรทำตัวตัวคงตัวเองอยาก ด, ดีอยากมีความสุขอยากสงบแต่อยาบคิดอยากด อยากติ ด, ด อ, อยากค้องเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆพยายามกาหนดให้จิตเดือดจิดเหมือนนั่นงที่นี้แต่ตื่เวลาอยากจะให้จิตกดจิดได้อยาจะเฟรดเปรดได้ใจที่นี่นมีประตืเฟิดดูตลอดเวลาแต่มันเต็ทีเปนสาวะอะไรนะั่นออกบังเข้า คนที่มีปัญญาเขาเลือกหาเว่าอะไรทั้งหมดอาหารใสะปากใส่ท้องของเขาทำสาเร็จมาในถ้วยในจานเขาก็ยังเลือกก่างกระดูกเขาก็ต้องเอาออกนี่ปัญญาอามของเราเป็นเนื้องกันทั้งขาที่ภายในเป็นนื้องกันมันมีก่างมีกระดูก ที่จะทำให้เจ็บให้ปวดให้เดือดร้อนต้งตักหากเรามีัำยาที่ม่พิจารณาเป็นคุมาอันนี้เป็นอกขุขนษาขนเจ็บตรมเอาไว้จะทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้เดือดร้อนเราทราบดีว่าเป็นของในม่ดีเราก็ถึง้งมันเสียใส่มันเสียนี่นนคือ คนมีตำยาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยหอบเอาหามเอาที่เดียวแต่มันเกิดขึ้นอย่างไรจะเอาอย่างนั้นในเอาจริงจริงเลยควรเอาปล่อมันที่จงจริควรเอาเอาถ้าวันเกิดยังนีเกล็ดกินตั้งเสียมันก็ปิดคอต่างเขาจงไปสีไปซ้อมนี่เรื่อง จิตใจของเราเรื่องเกี่ยวกับโลกมันมีอยู่อย่างนั้นคนที่มีปัญญาเป็นสามารถที่จะพิจารณาหาขอจริงจากกายจากใจจากโลกได้คนที่มีปัญญาก็เล่อนเหลวเรื่อยไปแต่ทําไมวันนี้เศร้าหมองทาไมวันนี้ผ่องใสทาไมวันนี้สงบทําไมวันนี้ยินหวาสาเหตุม่เคยขึ้นจากอะไรทําไมพิจารณามัน ถมันรู้จากสาเหตุในรูอจากของแผลงมันก็ยาการคิดการเปล่งการพูด <c oughs> การกินการเดินต่างๆมันเป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งจะให้ใจิตใจไหวอุ่นคุณนเมื่อไปได้สุขสบายไปได้เราก็ต้องพิจาราอะไรที่มันเป็นเหตุให้ใจดีใจชั่ว อย่างเราจับจิดมันได้เข้าใจมันดีมันกิดในในต่อเกลื่อเกลืนเฉื่อเสียต่างๆในจุดในใจในการศึกษาจักตัวเองจะต้องเป็นเรื่ตัวเองพิ่เจรณาตัวเองนอนมากมันเป็นอย่างไรกินมากมันเป็นอย่างไรพูดมากมันเป็นอย่างไรนั่งมากเดินมากมันเป็นอย่างไรเรื่อยแบบไหนจะเป็นสัตว์ป่ายะทำจุด ทงใจให้สว่างสวัยทำจทิดทำใจให้ร่องใสสงบเย็นล้วต้องพิจารณาการแตะทำการฝูกการคิดของเราในอย่างนั้นก็ยากลำบากเหมือ น, นคนตาบอดเดินทางในสายลมจะไปตกหรือตกบอกที่ไหนทำหน่นมีตามมองเห็น สิ่งอะไรจิตใจคือหนึ่งปัญจึงถูกแบบนั้นเรื่อยมาบางทีดีบางทีชั่วก็ราะเตลของเตลหนึ่งที่เจ้ามาหา้าเหตุเรื่องของตัวเองหนึ่งสา้าเหตุของเตลเองจะมีทางจิตใจเว้นชื่อบำเพ็ญดีดูถึกปฏิบัติเพราะชีวิตหนเป็นของ แม่นอนถ้าคุณปฏิบัติได้มันจะเป็นอย่างไรมันเป็นใจโลกทั้งโลกมันจะทะลุไปแบบไหนให้มันเป็นใจตายมันจะแตขลายไปเมื่อไรก็ให้มันเป็นไปนไเปไปพราะทราบดีว่าสิงา่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันแตกดับสิ่งที่นารู้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วมันจะแตกดับไป กเหานี้ด้ือไม่ก็ทราบได้มันเป็นมีทางหวั่นไหวมีทางเหลื่องไหลมีทางเสียใจแต่ตามเรื่องงโลกของขันของให้ฝึกให้เห็นให้เต็มภายในตัวถ้าฝึกได้ความฝุกความสบายอะไรจะกระเสดบีเสดเท่ากับฝึกที่หมดที่เหลือปัญหาใหม่ในนาทีนั้นติดตางฝึกขัง สุขอื่นจากความสงบไม่มีคือมันสงบอยู่ทุกระยะทุกเวลาทั้งที่ไปที่มาที่พูดที่คิดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นไทยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันไม่มีทางสงสัยหนึ่งืูด ถ, ถึงนับผิดฉังตีตลังสุขทังจริงจังเป็นอย่างนั้น แต่เราท่านยังไม่เห็นในเต็นอย่างนั้นพยายามทําไปในวันใดวันหนึ่งก็จะถึงได้เทียงแต่อยากจะถึงไม่ทำเงินก็มีมีวันถึงมีวันได้มีวันเห็นแต่ทำอยู่ก็มีวันที่จะได้จะเห็นจะเป็นไปได้การศึกษาธรรมะศึกษาจิตใจจิตใจของตัว อยาไจศึกษาที่อื่นว่าส่อื่นเขาไม่หลสิงอืนเราไม่เกิดขึ้นมันค็มีอยู่อย่างนั้นงอื่แเ้วตายไปมันก็มีอยู่อย่างนั้นยงบินฟ้าอากาศคงอยู่อย่างนั้นนั่นลหายไปทื่หน้เสียงกลินรสสัมผัสก็ทํานอเียวเข้ เราไม่เห็นนั่นตัมีอยู่อย่างนั้นเราไปเห็นเราไปตูนเต้นน่าดูหน้าชมหน้าต้อนัต่างๆนานาก็จิตไปไหนก้อยคิดเสียงก็นี้กันมันมีอยู่ก่อนเราเกิดถึงเห่านี้มันมีอยู่แต่ม่อกแต่เรามีมันก็เลงเรื่อยไปแต่เราือมัน กีอะไรใจสงสัยอดีอาาตอนคบเป็นอย่างไรดูปัจจุบันเข้าใจเท่าถึง 1. หมดนี่คือจิตจเข้าไปถึงธรรมจริงจังโลกมาไปหมดเสนอไปหมดพอดูแต่ตัวของตัวดูแต่เรื่องของตัวมันก็ทั่วไปอดีตอนาคตเท่าโลกทไม่มีทางสงสัย การภาวนาเป็นการแก้ปัญหาของจิตเป็นการทําจิตให้รู้ให้ใส่ใจตามเป็นจริงในเหมือนการเรียงขางนอกเรียงท้างนอกเรียนได้ขนาดไหนก็เรียนมาได้เดี๋ยวสัญญาสัญญาอนุญาสัญญาอนับตาจะมีการหลงการลืมการบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเรื่องของสัญญา เรือภาวนาหาอริยสัจใจอริยสัจนันกินไปหมด อ, อ, อ, อดีตอนาคตมมนมีสงใสกิงเป็นการจบเรื่องจะเรียนต่อไปแต่จะเรียน อ, อะไรอีกคือมันจบในจิตในใจไม่มีทางสงัสถึงจะ เขียนในเต็น อ, อาในบ้านนั้นกัวนี้ในทางแสงใสในจิตในใจพอมันแก่ไขสิ่งที่ติดข้องของตัวออกหมดไม่มีการหลงไม่มีการลืมอีไรสับ์การปฏิบัติของตัวดีเชื่ต่างๆที่มันละมันถอนมาได้เรื่องเรื่องสัญญาอืน ขายนอกมันต่องลงฉะนั้นเรียนทารเรียนภายในจนึงจำเป็นที่จะเรียนคนนึ่งอยากมีความสุขความสางบพาคตั้งแต่ธรรมนเเ็ศโอกาสเวลาหน้าที่เป็นของทุกคนสถานที่ที่เรามาต่ถือว่าเป็นป่าปกติธรรมดาแล้วก็สงบ ใจจิแล้วสงบใจจิตเราไม่สงบอยู่ป่าอยู่วัดก็ไปขว้าเอาเรื่องอดีตอยู่ถิ่นใดแดนใดนะคิดมาเป็่งอยู่ในใจสถานที่จะสงบขนาดไหนใจนั้นต้องสงบขึ้เพราะหมดิตประตูบ้านไม่มีประตู อ, อ, อะไรมันจะเข้าไปเปข้าไปได้ะ ถ่ามเอาไว้ตั้งใจภาวนาจะบริกรรมเรียกว่าสงบลมก่อนตั้งใจจริงจังปิดห้ตายเสียก่อนเร่องอดีตอนาคตเห็นมันสงบมันสงบเห็นอัศจรรย์แล้วมันเป็นไปเองตัวจากใหญ่มันเดินเจอจากแล้วมก็เดินไป พ อ, อ, อใจเป็นธรรมแต่นั้นตาจะเป็นธรรมหูจะเป็นธรรมลูก็เป็นธรรมเสียงก็เป็นธรรมพอใจเป็นธรรมข่ายใจก็เป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลกก็หมดเป็นที่เหลสเปันหาตัวหมดจึงควรฝึกฝนจิตใจของตนให้เป็นธรรมโอกาสเวลาที่จะได้ศึกษาโอกาสเวลาที่จะได้มากระทํา บางฐานบางคนก็มีน้อยบางฐานบางคนก็มีมากสินทรัพเงินก็มีพวกราคาคีออะไรนอกจากกำหนดจึกจิตเอื่อใจสองตัวเพราะว่าก็มีการงานต่างๆหาโอกาสเวลามาอเรมศึกษามากต่ทำมันเพ่นยากแต่เมื่อมาถึงสถานที่ก็อย่าหอบหิสัญญาอารมณ์อดีต ที่ผ่านมามาทำาอยู่ในวัดในวังในปอยถึ้นละถอนใจตั้งใจกาหนดความเพียรทำสติทำปัญญาของตเตืออยู่ในเตัวของตัวปูกอบรมให้จิตสงบระงับสัญญาองค์ต่างๆจะเห็นอนิสง จิตจะตั้งมั่นทำกายงานภายนอกภายในจะได้สะดวกสบายและจิตมีกำลังจิตได้พักผ่อนเชื่องสมาธิจะเป็นของอัศจรรถ้าสมาธิในตั้งมั่นจริงจังลงถึงขั้นสมาธิอัปนาแล้วมันสบายมันสงบ มันจ่ยวางไปทอย่างสัญญาอาลมที่เคยมีมาเกี่ยวข้องมันหมดใจพอใจเป็นหนึ่งมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นร่างกายปวไปก็เจ็บปวดเหนดหนึ่งยหนื่อหงุดหงิดไม่ได้กล้ากดเหนาในออก้านอกมันเหลือเป็นหนึ่งของมันมันจึงเกิดอสุจิันวะยะ ทำไมความสส่วนนี้จึงเป็นแบบนี้จึงละเอียดด่างนี้จึงเยดด่างนี้ควมบรรเทาไปถึงไปเต็มนันจะเห็นอัศจรรย์เชื่อมั่นกมากเดจะเ็รู้เใจาเป็นตายขชีวิตแสดงธรรมะหรือไม่ก็จะนสดง ที่ประเทศอื่นแสดงตนเองแต่ไม่ยกาะนะคนมายในกายใจฟ้าเปลือยท้งและทุกเสียงทอย่างไ่เกิดจากคายในไม่ได้เกิดจากายนอกหากวนนี้ที่เกิดไม่จะเกิดไโลบกวนแรงมันจะเกิดกมมเกิดจากใจของเรานักผทธามมรมวิเด มันจะเกิดขึ้นจากจิตใจอีกเหมือนกันฉะนั้นอย่างการสดงทดงดันจะแสดงสิ่งมี่เกิดจะไปแสดงสิ่งอื่นเช่นคนมีโลกโลดังติดต่งตางตัว่วยมา